ใครที่สนใจนะฟังคำัญญาตมาถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่นะก็สามารถจะฟังแล้วก็ดูได้นะทางไหนน ะ, นะดูแบบออนไลน์ดูทางอินเทอร์เนต็ตและยิ่งถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีแต่ว่าไม่ใช่โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเนี่ยวิธีที่จะ ดูหรือฟังคำบรยาวอัตามาได้ทางออนไลน์ก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์แล้วมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนี่มันไม่พอนะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเบราว์เซอร์นะแล้วก็พิมพ์นะเขาเรียกว่าอะไร URL นะจะเป็นติดต่อทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ป่าสุโกโตก็ตามนี่มันก็ต้องใช้อีกตัวเนี้นะ มันทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆไม่ใช่เฉพาะฟังคําบรรยายของธรรมาหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดีย๋ยวนี้คนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะนการมีเบราว์เซอร์แล้วก็การมีเว็บเพจต่างๆแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเบราว์เซอร์เนี่ยหรือเพื่อ ง, งตอนที่ยังไม่รู้จัก เวอร์ไวด์เว็นี่มันลาบากนะสิ่งที่เรียกว่าเว w ร์ w วด์เว็เนี่ยซึ่งก็ตามมาด้วยเว็บเพจต่างๆมันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้เมื่อ30ปีมานี่เองนะครบ30ปีนะเมื่อ2วันก่อนนะแลวประวัติมันก็น่าสนใจนะคนที่คิดเวอรเนี่ยซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถจะท่องอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ, างๆทางเว็บไซต์นะต่างๆไม่มีขีดจำกัดเนี่ยไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันผลิตโดยคนที่ชื่อว่านะทิมเทบเบรลีเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะที่มีความเรียกว่าอุทิศตัวนะเพื่อความรู้แล้วเขาก็พยายามผลิตนะอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนเราเนี่ย เข้าถึงข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมี w ว r l d w i ว e Web เนี่ยก่อนที่จะมีเว็บเพจต่างๆนี่ไม่ใช่เข้าถึงง่ายนะเพราะว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าที่นั้นเนี่ยจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็เข้ารู้แล้วก็เข้าถึงได้เฉพาะที่เดียวและสิ่งที่ได้มาก็เป็นแต่ข้อความไม่มีภาพ ไม่มีเสียงไม่ต้องพูดถึงวิดีโอคลิปหรือว่าหนังอย่างที่เราได้ดูเวลานี้เนี่ยทีมเนี่ยนะเขาก็คนเนี่ย w o r l ว w i ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนะที่มีในโลกนี้ได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์โดยผ่านสัญญาณเตอร์เน็ตณเด๋ยนนี้เนี่ยเราก็รู้เลยนะถ้าว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือถึงมีนะแต่ว่าไม่มีเว็บเพจต่างๆนะไม่มีวไวยว็บเนี่ยนะหมันก็ยากชื่อเข้าถึงข้อมูลนะอย่างวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าคนก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์นะ w ป่าสุกโต .org นี่เฉพาะาวัดเล็กๆวัดหนึ่งนะจะเป็นวัดไหนหรือสถานที่ไหนก็ตามนี่ก็เข้าถึงได้เพราะว่าเครื่องมือรู ป, ปกรณ์เนี่ยสิ่งน่าสนใจคือว่าเขาผลิตได้แล้วนี่เขาไม่อยากไม่คิดจะขายนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยจะต้องผูกขาด ด้วยการขอลิขกสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของแต่ผูด้เดียวแล้วใครจะใช้สิทธินั้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาแลกนะไม่ว่าจะขายเลิขกสิทธิ์ให้ใช้เนี่ยไม่ได้ให้ใช้เ ป, เ, ปเปล่าเปล่าต้องจ่ายเงินแต่ทีมนี่นะเขาต้องการจะให้ทุกคนในโลกเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ฟรี นะเพราะว่าเขาเชื่อว่าข้อมูลความรู้นี่มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเขาก็เลยไม่หวงนะเขาพร้อมที่จะแจกนะให้ฟรีบอกวิธีทำเสร็จแต่ว่าทีมคนเดียวไม่พอนะเจ้านายเขาหรือองค์กรที่เขาทำงานด้วยนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำงานกับ l a บทางฟิสิกชื่อว่า เซิร์นนะชืยยอ่อย ER นะ่อคือเซิร์นอยู่ที่สวิสซึ่งตอนนี้มีชื่อมาในะในเรื่องการทดลองเรื่องเกี่ยวกับอนุภาคนะที่ละเอียดที่สุดนะอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมเนี่ยเซิร์นนี่มีชื่อมาแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ก้าหน้าขนาดนั้นและเซิร์นนี่ก็เป็นเจ้าของเป็นเจ้านายของทีมผลผลิตหรือปฏิตกรรมของทีมเนี่ยมันก็ต้องตกเป็นของเซิร์น นี่ลักเซอร์นเนี่ยก็กะว่าจะทำขายนะใครจะมาใช้เนี่ยเวอร์ไวเบนี้ต้องมาจ่ายเงินนะแต่ว่าทิปเนี่ยก็ไปเจราจากับเซิร์นนะบอกว่าควรจะมอบให้เป็นมรดกของมุสยชาตินะไม่ควรเรียกเก็บเงินไม่ควรถือสิทธินะเพราะว่าเซิร์นนี่เห็นด้วยนะก็เลยเปิดให้ คนทั้งโลกเนี่ยนะใช้ w ว r l d w i ว e Web ซึ่งจะใช้ได้ก็ต้องมีเบราว์เซอร์นะมันก็มีเบราว์เซอร์ต่างเกิดขึ้นมากมายตอนนี้น ะ, ะที่ใช้มากคือโครมบ้างละหรือว่า m o ส i l l a มั้งละโราอพวกนีที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จักพวกเบราว์เซอร์พวกนี้ถึงจะเข้าถึงเว็บเพจต่างๆได้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนี่ก็อาจจะใช้แอนะ จะใช้ Facebook เนี่ยนะก็ต้องถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้เวอร์ไวเว็บ u t u b e ก็เหมือนกันนะอันนี้เรกว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะในช่วง3าสปีเนี่ยก็เพราะผลงานชิ้นนี้เนี่ยแต่ที่มาพูดนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีนะแต่พูดถึงเรื่องของความมีน้ำใจของทีมเนี่ยนะที่เขาไม่ได้หวังรวยนะ เ้ามีความรู้เยอะมีความสามารถมากแต่เ้าไม่ได้คิดจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยเพื่อตักตวงหาผลประโยชน์แต่มุ่งนะทำประโยชน์ให้กับมุฑลเสียชาติเพราะนั้นเนี่ยแม้เขาจะมีโอกาสรวยนะรวยมหาศาลเลยนะอย่างพวก g o o g ิ e นะพวกอแอปหรือพวก facebook นี่รวยมากเลยคนที่ผลิตหรือเจ้าของนี่แต่ว่าทีมนี่เขาเขาไม่อยากรวยเขาไม่หวังรวยนะ แต่ข้อมูลประโยชน์ของมรัเซียชาตินะตอนที่เขาผลิตไวเบ ไ, ไ, ไ, ไ, ได้นี่เขาก็37ปีนะตอนนี้หกส67ปีแล้วเขาก็ยังมีความสุขนะความสุขที่ได้ทำประโยชให้กับมูัเซียชาติทำประโยชให้กับส่วนรวมไอ้ความสุขแบบนี้นี่มันมีความหมายนะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตมีคุณค่าแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าสุขจากการเสพสุขจากการเอามาเป็นของตัว สุขจากการหาประโยชน์ส่วนตัวคนเรานี้ถ้าไม่รู้จักความสุขชนิดนี้นี่เรียกว่าเสียชาติเกิดนะเพราะมันเหนือความสุขจากการกินดื่มเที่ยวเล่นเยอะแล้วไม่ช่วยป้องกันนะหรือบรรเทาความทุกข์ได้นะคนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวนี่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้มันมีความหมายยังไง ฉันจะอยู่ยังไงนะหรืออยู่ไปทำไมแต่พอได้ไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนี่มันทำให้ชีวิตมีความหมายแต่ละวันมีคุณค่าขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าฉันจะทำอะไรวันนี้มีความหมายอย่างไรเนี่ยว่ามันช่วยคนมากเลยเดี๋ยวมีมีหนุ่มสาวหลายคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีกินมีใช้นะแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ไปทาไม แต่พอเขาได้ไปเป็นจิตอาสาได้ไปทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีชีชวิตชีวาขึ้นมาอย่างที่เราเมื่อสสวันก่อนเนี่ยผู้หญิงที่ชื่อจอยเนี่ยนะเป็นโรคซึมเศร้านะแต่สุดท้ายก็หายจากซึมซึมเศร้าเพราะว่ามีน้ําใจนะอยากจะช่วยเหลือคนแก่ไปโรงพยาบาลแล้วลูกหลานนะแม่สามารถไปได้พ่อลูกหลานไม่ว่างหรือบางทีไม่มีลูกหลาน ทีแ่แกเขอาสานะอาสาขับรถพาคนแก่ไปโรงพยาบาลแล้วก็รอรับกลับระหว่างที่รอก็เป็นอยู่เป็นเพื่อนคุยกับหม อ, อยังไงเขาก็จะจดจำเอาไว้ว่าคุยกับหมอจะได้ไปเล่าให้หรือบรรยายหรืออธิบายให้คนแก่ฟังเพราะบางทีคนแก่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องหมอพูดอะไรภาษาแพทย์นะเขาก็ไปไปไปช่วยนะอ่า อธิบายให้ฟังตอนหลังนี่ทำเป็นอาชีพเลยน ะ, ะรับจ้างรับจ้างพาคนแก่ไปโรงพยาบาลไปเป็นเพื่อนเรียกว่าลูกรับจ้างหลานจําเป็นน ะ, ะเขามีสโลแกนเขาลูกรับจ้างหลานจําเป็นเพราะว่าทําไปทำไปนี่หายซึมเศร้าเลยนะเพราะมีความสุขนะจากการที่ได้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีรายได้จุนเจือเพื่อให้ ไ, ไ, ดได้ทําอย่างนี้ได้ตลอดไปหรือทําไปได้เรื่อยๆนะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่าความทุกข์บรรเทานะพอได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือถึงไม่มีความทุกข์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะ